เมื่อประมาณสักเจ็ดสิบปีก่อนน ะ, ะที่วัดบวรนี่มีสังฆราชพระองค์หนึ่งนะเป็นสังฆราชเจ้านะเพราะท่านเป็นเจ้าสมเด็พระสังฆราชเจ้ากลมหรลรวงวชิยานวงศ์นั่นเป็นสมเด็พระสังฆราชที่เป็นกับเองกับผู้คนแล้วก็ไม่ค่อยมีพิธีรีตองเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ย ค่ำแล้วนะหม่อมราชวงศ์คริสต์ปราโมชนะพวกเราคงรู้จักหลายคนหม่อมราชวงศ์คริสตก็ไปไปเยี่ยมสมเด็จพ ร, ระสังฆราชพระองค์เนี่ยไปถึงก็ประมาณค่ําแล้วก็พอดีกับที่สมเด็จพ ร, ระสังฆราชเจา้ายเพิ่งกลับมาจากหัวหินนะตรงหน้าประตูกุฏินะหม่อมราชวงศ์คริสตก็เห็น ต้นไม้ต้นเล็กๆอยู่ในกล่องอยู่ในกระป๋องนมนะวางอยู่ข้างหน้าขนาดประมาณสักแค่คืบเป็นไงนะก็คือกล้ามไม้นั่นแหละเห็นอยู่ต้นเดียวก็ถามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่าต้นอะไรพระพรก็ตอบว่าต้นพิยอมว่ะสมภารวัดหัวหินให้มาเท่านี้แหละนะหวังประชาชนคือกร้องโอ้โห ต้องก็ถามว่าโอ้โหทำไมหมอราชนคฤีดก็ตอบว่าต้นพยอมเนี่ยนะต้องปลูกถึงสี่สิบห้าสิปีนะมันถึงจะออกดอกแล้วก็สมเด็จเนี่ยนะก็แก่จะตายไม่ตายแลอยู่แล้ว <c oughs> จะได้ทันเห็นดอกพยอมเหรอนะคือหมอราชนคริตนี่ก็เป็นเป็นสิทธิ์นะที่เคยบวชกับ สมเด็จพระสังฆ ร, ราชาเขาจะสัตว์วิหาริกก็ไปมห ah าสูขกับสมเด็จพระสังฆ ร, ราชาเป็นประจำก็เลยคุ้นเคยก็เลยพูดได้ตรงๆรงวันนียสมเด็จเนี่ยจะตายไม่ตายแลอยู่แล้วเนี่ยจะได้ทันเห็นดอกพยอมเหรอเจาก็ถามว่าอะไรนะห้าสิปีเฉลอใช่สิ่ห้าสิปี เอาด้ยอย่างนี้นะสมเพระสังฆรา ก, ก, ก็รีบบอกวิทยจวยจกรเลยบอกทําไมบอกให้รีบเอาต้นพิยอมนี่ไปลงดินซะบอลเนี่ยบอกวิทยจวยจกรว่าเนี่ยไอ้นี่เนี่ยคือหม่อมราคือรินเนี่ยบอกว่าปลูกต้องห้สิปีกว่าจะออกดอกนะเพราะฉะนั้นต้องรีบปลูกเลยรีบปลูกซะแต่เดือนนี้นะอย่าให้ช้าอย่าประมาทเนี่ย อ น, นี่ก็เป็นเป็นเกตตตอนหนึ่งนะของส่วนตัวสังกรายจาพรงนี้ที่ชวนให้คิดนะว่าบาคนบางคนเนี่ยถ้ารู้ว่าต้นไม้กว่าจะโตห้าสิบปีเนี่ยก็จะยิ่งนะไม่ค่อยอยากปลูกเท่าไหร่อีกต้องนานเนี่ยกว่ามันจะออกดอกนะเพราะฉะนั้นเน่ยอย่าเพิ่งรีบปลูกเลยนะปลูก พรุ่งนี้ปลูกอาทิตย์หน้าก็ได้เนะีแต่สมเด็จพระังรจจาชพระองค์นี้ท่านคิดไม่เหมือนคนอื่นนะท่านบอกว่าคือถ้ามันยิ่งให้ผลช้านะี้ต้องรีบทำนะต้องรีบทําทันทีเพราะว่าผลมันก็จะได้นะเร็วขึ้นอีกหน่อยนะอะไรที่มันให้ผลช้ายิ่งต้องรีบทำนะไม่ใช่เป็นเหตุให้ผัดผนะ่อนคนส่วนใหญ่เนี่ยพอ รู้ว่าผลมันจะเกิดขึ้นช้าปฏิบัติธรรมกว่าจะให้ผลก็อีกนานหลายปีนะเรียนหนังสือนี่กว่าจะ เ, าเรียนจบก็อีกหลายปี4ปีบาง6กปีเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบนะบางทีก็เป็นโอกาสให้ผัดผ่อนเป็นข้ออ้างแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะที่มันยิ่งให้ผลช้าแล้วเราอยากจะให้มันผลเห็นผลเร็วก็ต้องรีบทำนะอย่าผัดผ่อน คนทุกวันนี้เนี่ยมีข้ออ้างในการผัดผ่อนได้มากมายเนะช้าไปบ้างหรือว่าสายไปบ้างนะก็ผัดผ่อนไม่ทำจะมาปฏิบัติธรรมก็ผัดผ่อนว่าเอาไว้ให้แก่ก่อนนะจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่ก็ผัดผ่อนไว้ก่อนว่าก็ปีหน้าแล้วกันค่อยวันปีใหมก่ก็แล้วกันและเชื่อเลยนะพอถึงวันปีใหมนะ่แล้วก็ผัดผ่อนไป มันมีคําอยูสองคานะที่ถูใกล้กันมากเลยคือคําว่าเดี๋ยวกับเดี๋ยวนี้แต่ความหมายนี่ต่างกันไกลเลยนะแล้วผลเนี่ยก็ต่างกันด้วยคําว่าเดี๋ยวกับเดี๋ยวนี้นี่ความหมายขอ้อตัวคำเนี่ยมันใกล้กันเพียงแต่ว่าคําหลังนี่มันสองพยางเดี๋ยวนี้ คำแรกพยางค์เดียวแต่ว่าความหมายนี่หรือผลที่ตามมานี่ต่างกันเยอะเลยถ้าเราให้ความซ้ากับควมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันก็จะทำทันทีแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้คาว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านหนังสือเดี๋ยวทำการบ้านนะเดี๋ยวไปปฏิบัติทรรมเดี๋ยวนั่งสมาธิเดี๋ยวออกกาลังกายนะ บอกว่าไม่ได้ทําเลยนะผัดผ่อนไปเรื่อยคนทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าให้คำ ว, ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันมาเป็นใหญ่นะก็จะไม่ประสบความสุขความเจริญเท่าไหร่และบางทีมันจะเกิดความเสียหายด้วยหลายคนเนี่ยก็อยากไปเยี่ยมแม่นะมาทํางานที่กรุงเทพแม่อยู่ต่างจังหวัดแม่ก็ได้ไปเยี่ยมเท่าไหร่ จะไปอะไรก็เดียเด๋ยวเวนะบอกว่าสุดท้ายแม่ประสูอุปฏติเหตุตายเสียใจไม่น่าเลยนะเราน่าจะไปเยี่ยมท่านตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วมีแบบนี้เยอะนะมีคนหนึ่งไปเยี่ยมยายได้ข่าวว่ายายเนี่ยป่วยหนักแกก็เดินทางจากกรุงเทพนะ ก็ไปถึงไปถึงหน้าบ้านน่ะของยายเนี่ยประมาณคำ่ำทีแรกก็คิดว่าจะเดินตรงเข้าไปในบ้านเลยแต่พอเอหน้าบ้านเนี่ยในซอยเนี่ยเออเป็นบ้านเพื่อนเพื่อนเก่าก็เลยไปเยี่ยมเพื่อนไปคุยเล่นกับเพื่อนคุยเสร็จแล้วก็ติดลมในใจนุ้นก็นึกนะเอ้ นี่เรามาเยี่ยมยายนะใจใจนึกบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็คุยกันเสร็จแล้วก็กินกันกินเหล้ากันไปด้วยนะยาวไปเลยนะจนถึงดึกเลยเสร็จแล้วค่อยเข้าไปในบ้านยายไปถึงปรากฏว่าอ้าวเขามีทาอะไรกันเนี่ยปรากฏว่ายายเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้ว สองชั่วโมงที่แล้วนีนตัวเองนี่ยังยังสนุกสนานยังเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่เลยก็เสียใจนะว่าไม่ทันได้ดูใจยายแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นแหละที่จริงก็มาถึงก่อนแล้วตั้งแต่หัวค่ำนะแต่เพราะคำว่าเดี๋ยวคำว่าเดียวนี่แหละที่มันทำให้เสียใจมาจนทุกวันนี้ผ่านไปหลายปีก็ยังเสียใจว่า ไม่ได้มาดูใจยายยายนอุตส่าห์เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กพอเราโตแล้วเรามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็ไม่ได้ไปเยี่ยมยายเท่าไหร่เรียนจบมาเท่าไหร่ทางานก็ไม่ได้ไปเยี่ยมยายป่วยยังไมไ่ไปเยี่ยมเลยยายจะตายก็อยากจะไปเยี่ยมสุดท้ายยายตายก็ไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปดูใจเนี่ยนี่เพราะคำว่าเดี๋ยวนั่นแหละนะอีกลายหนึ่งนะ ป้านี้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนีตอนหลังตัวก็ไปเรียนในเมืองจบมัธยมก็ไปเรียนพยาบาลจบพยาบาลก็ไม่เคยได้มีเวลากลับมาบ้านไม่เคยได้มีเวลามาหายป้าเท่าไหร่ แ, แล้ววันนึงป้าก็ป่วย ป้าป่วยป้าก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ mm hmm. ผู้หญิงคนเนี้เป็นพยาบาลก็ดีใจนะว่าจะได้ดูดูแลป้าแต่คอามจริงก็ไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าป้าอยู่ห้องไอซียตัวเอ ง, เองตัวเ อ, เองอยู่คนละนแผนกป้าเข้าห้องไอซไปเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่มีเวลายเยี่ยมเลยมารู้ตัวก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะหยุดงานจะไปเยี่ยมป้าสักหน่อย ห้องไอซียู่ลงพยาีมารเดียวกันนั้นนะพอถึงเช้าวันศุกร์เพื่อนชวนไปพัทยาเจ้าตัวนี้อยู่ราชบุรีไม่เคยไปพัทยาไม่เคยเห็นน้ำทะเลเลยก็เลยคิดว่าเออไปเที่ยวกับเพื่อนสักหน่อยนะสาวอาทิตย์อาทิตกรรมมาคยไปเยี่ยมป้ามีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเที่ยวพัทยานะ ตั้งแต่เย็นวันศุกร์กลับมาถึงโรงพยาบาลค่าวัอนอาทิตย์ก็เดินตรงไปเข้าโรงพยาบาลจะไปห้องไอซีจะไปเยี่ยมยายแล้วก็เจอเพื่อนพยาบาลเดินสวนมาแล้วเพื่อนพยาบาลก็ถามว่าไม่นี่ไม่รู้อีกเหรอป้าเสียชีวิตแล้วเสียเมื่อกังวันนี่เองพอแกรู้ที่แกเข่าสุดเลยนะ ข่าวซืเพราะว่าเนี่ยตั้งใจจะไปเยี่ยมป้าเดี๋ยวอยู่หลายครั้งแล้วครั้งนี้ว่าจะไปเยี่ยมจริงๆปรากฏว่าสายไปแล้วนะเสียใจป้าเลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่เล็กตัวเองพอโตขึ้นก็ไม่เคยได้ไปเดีย๋ยว่าแต่ตอบแทนบุญคุณเลยแค่ไปเยี่ยมยังไม่ค่อยได้มีเวลาเลยถึงเวลาป้าป่วยรักษาตัวโรงพยาบาลของตัวเองแท้แท้ก็ยังไม่มีเวลา ไปเยี่ยมที่จริงมีเวลานะั้นแต่ว่าไม่สนใจเพราะว่าผัดผ่อนไงจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผัดผ่ว่าเดียวไปเที่ยวก่อนไปเล่นน้ำทะเลพัทยาก่อนก็เลยกลายเป็นตาบาปในจิตใจผ่านไปสิบปีก็ยังเสียใจว่าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของป้าหรือแ ม, แม้แต่ดูใจป้าก็ยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำเนี่ยคาว่าเดี๋ยวนี่มันทำให้เกิดความรู้สึกผิดติดค้างใจเป็นสิปีนะ แต่เหตุอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดเราให้ความซ้มำกับควาว่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ผัดผ่อนนะคำ ว, ว่าเดี๋ยวกับเดี๋ยวนี้นี่ถึงแม้มันเป็นคำที่ใกล้กันมากแล้แต่ว่าความหมายแล้วก็ผลที่ตามมานี่ห่างกันเหมือนกับฟ้ากับเหวเลยนะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นคำควาว่าเดี๋ยวนี้มันยาวกว่ามัน สองพยาง ย, นะยานยาวคาว่าเดียวนะแต่ว่าผลที่ได้ตามมานี่มันมันดีกว่ากันเยอะเลยเรื่องของสด็นในภาังกราจานี่ยังให้แง่คิดอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากการกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทให้เรารีบทำไม่ผัดผ่อนไม่เอาคออ้างว่าเดียวว่าอีกนานกว่าจะได้ผลไมานั่นผัดผ่อนไปก่อนข้อคิ อ, อย่างนะึคือว่า โดยพระสังฆราชจาี่ยอย่างที่หมอนราชวนคลิฟบอร์ดนะจะตายไม่ตายแล่อยู่แล้วนะแต่ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้นะมีหลายคนนาที่แก่แล้วแต่ก็ยังปลูกอยู่เด็กน้อยไปถามปู่ว่าปลูกต้นไม้ลหลายต้นเนี่ยปลูกแล้วปลูกอีกเนี่ยอีกกี่ปีกว่าต้นไม้จะโตกว่ามันจะให้รลมเงาปูก่ก็บอกว่ายี่สิปีสามสิบปี เด็กก็เลยถามปู่ว่าแล้วปู่จะได้ใช้ประโยชน์เหรอเนียไม่ได้ใช้หรอกถึงน้อยคงตายก่อนอ่าแล้วปลูกทําไมปู่ก็เลยบอกว่าปลูกเพื่อคนรุ่นหลังปลูกเพื่อคนรุ่นเธอนั่นแหละนะโดยพระสังฆราชก็เหมือนกันนะท่านถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าดอกพยอมนี่กว่าจะออกดอกก็ห้าสิบปีแต่ว่าท่านก็ไม่สนใจเพราะว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทําเพื่อผู้อื่น อย่างพวกเราเนี่ยมาปลูกเนี่ยหลายคนก็คงจะไม่ได้เห็นผลนะนะมาปลูกและอาจจะไม่ได้กลับมาที่ผู้หลงอีกนะแต่ว่าถ้าเราคิดถึงผู้อื่นนะมันก็ทําให้เรามีเหตุผลที่จะต้องปลูกแล้วก็อยากจะปลูกคนเราเวลาทําอะไรนี่อย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะคิดถึงผู้อื่นด้วยคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ประโยชน์เราก็เลยไม่ทำอนะันนี้ไม่ไม่ถูกนะการรักษาสิ่งว้อมเนี่ยเรารักษาเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นแต่เพื่อผู้อื่นด้วย เมืคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็ทำเพื่อเราถึงเวลานี้เรามาเราโตเราก็ทำเพื่อรุ่นต่อไปให้คิดแบบนี้ซะบ้างอย่าคิดถึงแต่ตัวเราเองประหยัดน้ำประหยัดไฟเนี่ยแม้ว่าจะทำให้เราสะดวกสบายน้อยลงแต่ว่ามันทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์เราก็ทำนะให้เราทำตั้งจิตแบบนี้บางคนก็บอกเนี่ยมาปลูกทำไมฉันไม่ได้เป็นคนตัดต้นไม้ไม่ได้ตัดไม้ทาลายป่าถึงแม้ไม่ได้ทา ไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ควรทำนะให้เราน้อมจิตตั้งใจแบบนี้นะในการปลูกป่าในวันนี้มันถึงจะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขอ阿ะเตรียมรับพร อิิตังปฏิตังตุมหังคอยแต่ผลที่ด้านป่าธนาลาตั้งใจแล้วขีพเมีวาสมิชาโตจงสําเร็จโดยชาปันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทางวังจงเต็มนี้จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเห็นมานิโชติรโสยธาเหมือนแกวมนิยนสว่างสวัยคยินดีสาเพติโยวิวัชันโต ปานจารย์ทั้งข่วงจงบราดไปสาธัยรอขวินาศตุรอท้งข่วงของท่านจงหามาเทพวัตวันตารโยอนตารยามีแก่นสุขีริภายุโกะวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทานนาสิลสนิจังกุณณะยัญโน ยติโรธามาวันตันทายุวันโนสุขังเพลสสิปการยุอยวันนาสุขัพลยอนจารเรแก่บุคคผู้มีปกติไหวกรามีปกติอานอนแต่ผู้ใเป็นนี้ภาวตสาพมงกลังกสาภมงคลจงมีแก่ตราขันตุสาปฏวต พรราธิวาสดังดวงจงรักาดานสาวาพุตานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวาตัมนุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาวาสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระโสสาธาโสธิภาวันโดเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านโนม่